พอจเจริญทับหยัดยมทุกคนทุกทันก็ให้หยัดยมจงจเจริญสติสร้างความรู้ึกกับโล่สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรูต้ตรวจและรู้ยัง่งทะยังก็เริ่มนะนั่งตามสบายวางกายให้สบายไม่ต้องปั่นนมมือฟังไปด้วยน้อมสำเนียกหลองสูตดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายา ว, ยาว กายของเราก็รู้สึกว่าสบายขึ้นใจของเราก็สงบตั้งมั่นขึ้นความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจนั่นแหละเขาเรียกว่าสติรู้กายถ้าเราพยายามสร้างให้ต่อเนื่องซึ่งเรียกว่าสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็รู้ให้ต่อเนื่องเพียงแค่สร้างแค่ทำให้มีให้เกิด ขึ้นที่กายหองเรล่านี้ก็ยากไม่ค่อยจะสนใจกันอยากจะเอาตั้งแต่บุญอยากจะได้ตั้งแต่ทำตรงนี้มีกันเต็มเปี่ยมอยู่การทำบุญการให้ทานศรัทธาการรู้จักทำความเข้าใจคำว่าความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันคือทุกขณะลมหายใจเข้าออกทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออกอะไรคือความรู้ตัวที่สร้างขึ้นมา เลืกลงไปลักษณะของใจที่ปกติใจที่สงบใจที่ปราศจากกิเลสจนกว่าจะจำแนกแจกแจงรู้เห็นใจของโลคลายออกจากความคิดซึงเรียกว่าแยกหลุกแยกหนับหรือว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นความรู้ความเห็ น, เ ห, นเห็นอาการของใจเห็นอาการของความคิดเห็นอาการของขันห้าในหลักธรมรมทะเีกว่ารอบรู้ในกองสังขาร เราก็ตามทําความเข้าใจให้ใจของเรารับรู้มองเห็นความเป็นจริงเราก็จะเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์เข้าใจคําว่าอัตตากับอนัตตาเข้าใจคําว่าสมมุติวิมุตติแล้วก็ตามทําความเข้าใจเรงแต่ต้นเหตุกังเหต์ไปเหตุทุกเรื่องแล้วก็หมั่นพร่ำสอนใจของเราว่าอะไรผิดอะไรถูกนั่นแหละจึงจะเอาไปดําเนินกับชีวิตประจําวันได้เอาไปใช้กับชีวิตได้ มองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดเราละกิเลสได้มากได้น้อยกิเลสอยากกิเลสละเอียดก็จะเห็นชัดเจนหมดทุกเรื่องแต่เวลานี้สติรู้ตัวความรู้ตัวนี้ไม่ค่อยจะเจริญกันเลยอยากจะได้ตั้งแต่บุญอยากจะรู้ตั้งแต่ทำเขาก็ปิดกั้นตัวเข า, เาไว้หมดต้องพยายามจาแนกแจกแจงแยกแยะให้ชัดเจนคําว่าความรู้ตัว แล้วแต่อุบายแล้วแต่วิธีที่เราจะทำจะสร้างขึ้นมาเน้นลงอยู่ที่กายของเราใจมาสร้างพบมนุษย์ขึ้นมามีกายเนื้อเข้ามาหอม่อหุ้มทึงเรียก ว, ว่าขันห้าทำไมท่านเรียก ว, ว่าขันห้าขันห้ า, หามีเป็นกองเป็นขันทำไมท่านเรียก ว, ว่าเป็นกองเป็นขันเราต้องเห็นด้วยทำความเข้าใจได้ด้วย เราตัวใจก็ยังมีความเพลเยนทยานอยากเกิดความโลภความโกรธความอยากความยินดียินร้อยสารพัดอย่างเราต้องพยายามเจริญสติเข้าไปชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลมันอบรมใจมันบริหารใจของเรามันพร่ำสอนใจของเราให้ใจมองเห็นความเป็นจริงตราบใดที่ใจยังแยกรูปแยกนามไม่ได้มันก็รู้อยู่ในระดับของโลกียะของสมมุติ ถ้าแยกรูปแยกนามได้ก็เหมือนกับเราหายของที่ย์พมตามดูรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างจนใจของเรามองเห็นความเป็นจริงนั่นแหละเขาถึงจะปล่อยจะวางได้แต่ก็ไม่เหลือวิสัยก็ต้องพยายามกันแม่ว่าพระบ่อยโยมบยัญชีพยายามขยันมันเพียรถ้าถึงเวลาเราก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางกันสร้างอานิสงส์งบบสร้างธระสร้างบารมีจากนน้อยไปหามากๆ ตื่นขึ้นมาเรามีความขยันหมั่นเพียรเรามีความรับผิดชอบเรามีความเฉสละเฉสระส่วนตัวส่วนรวมประโยชน์ประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ในโลกหน้าวันนี้มีวันพรุ่งนี้มีพบนี้มีพบหน้ามีเมื่อวานนี้ก็ผ่านมาก็เป็นอดีตไปแล้วทีนี้ปัจจุบันนี้เราควรที่จะทําความเข้าใจแล้วก็สร้างขึ้นมาอสร้างสติ ก็ไปรู้ให้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างทักวันหนึ่งเขคงจะรู้จะเห็นการได้ยินการได้ฟังการได้อ่านทุกคนมีกันเต็มเปรียบแต่การลงมือการสำรวจการทําความเข้าใจนี่แหละตรงนี้แหละสำคัญไม่จำเป็นต้องไปพูดมากรู้จักแนวทางแล้วก็ทำความเพียรการจเจริญสติเป็นอย่างนี้การจเจริญสติที่ต่อเนื่องใจวิเวกเป็นอย่างนี้กายวิเวกเป็นอย่างนี้ อยู่คนเดียวก็ย่อมจะเข้าถึงถ้าเรารู้จักวิธีการแนวทางขอให้เรามีความเพียรดื้อย่าไปทิ้งการทําบุญการสร้างอา น, นิสงส์เราทําได้ตลอดเวลาตั้งกระตื่นขึ้นมาใจของเรามีความอ่อน น, อน้อมถ่อมตนมีความแข็งกระด้างหรือว่ามีความก้าวร้าวหรือว่าจิตใจของเรามีตกติมีมนต์ทิศ น, นึ่งจังถ้าเราไม่แก้ไขเราไม่มีใครจะช่วยเหลือเ ร, เราได้หรอกนอกจากตัวของเราการ อย่างสมมุติของเราให้เกิดประโยชน์อันนี้เราก็อนุเคราะห์กันได้อยู่ในระดับของสมมุติแต่ในระดับของด้านจิตใจลึกๆ ก, การละ ก, กิเลสเราต้องช่วยเหลือตัวเราแก้ไขตัวเ ร, เราก็ต้องพยายามกันทั้งพระทั้งโยมทั้งทีวันนี้เราก็มีโอกาสได้ปลูกต้นไม้ช่วยกันหลังจากฉันข้าวเสร็จท่ากันไปปลูกต้นไม้ <c oughs> มีไม้สร ะ, ะมาส่งประมาณไม้สระใหญ่ประมาณมสะะักแปดต้น ที่จะเอามาปลูกที่ปางลีลาเรามามีโอกาสเราก็ไปปลุกร่วมกันหลังจากนั้นก็ส่วนหนึ่งก็จะได้บวชนาคด้วยกันก็เช่นพี่น้องเราทุกคนมาร่วมบวชนาบวชพระมาสร้างอา น, นิสงส์ร่วมกันได้บุญหลายสิ่งหลายอยา่างการขัดเกลากิเลศก็ต้องละเอาทําเอาก็ต้องพยายามกันนะเอาวันนี้ก็จเจริญทําเป็นตอนนี้ปะกันไปปะพร้อมๆกันปะกันไปสร้างการโตทําทความพอใจกันเอา